กษัตริย์วิกิต์มีความฝันและก็ได้รับการพยากรณ์นะฮะว่าความฝันนั่นเนี่ยได้บอกเหตุหลายประการก็ทำให้เรานึกถึงความฝันของพระเจ้าเปรเสรษฐีแห่งแคว้นโกศลเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้มีพุทธธรรมไนยนะครับว่าความฝัน16ประการของพระเจ้าเประเศรษฐีแห่งโกศลเนี่ยจะไม่ได้แสดงผลในสมัยพุทธกาลในช่วงพระพุทธองค์ยังดารงพระชนชีพนะครับ แต่จะเกิดขึ้นในช่วงกึ่งพุทธกาลซึ่งก็คือเนี่ยแหละครับพวกเราใช้ชีวิตกันอยู่พุทธศักราช 2,500 เป็นต้นมานะครับปีนี้ 2,549 เวลามันเดินไวจะกรับอาจารย์แต่ละสัปดาห์ที่ผ่านไปนี่มีเรื่องให้ตื่นเต้นตื่นเ ต, น ต, นต้นนะฮะในรู้สึกว่า 2,500 ปีนี่มันแป๊บเดียวเมื่อมันเพิ่งผ่านไปนี่เองนะฮะค่ะเมื่อวานนี้เนี่ย พูดถึงความฝันของพระเจ้าวิกรธรรมจิตนะคะที่ว่าเป็นฝันร้ายนี่นะคะคแต่ว่าฝันร้ายของพระเจ้าของทานวิกรธรรมทิตต์ท่านวิกรธรรมทิตทต์เนี่ยคงจะไม่เท่ากับความฝันของพระเจ้าประเสิที่ครับตอนที่พระเจ้าวิกรธรราธิตฝันเนี่ยนะคะโปรหิตเนี่ยก็บอกว่าถ้าว่าฝันในยามต้นของราตรีจะมีผลภายในหนึ่งปี ฝันในยามที่2ซึ่งประมาณระหว่าง3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะคะก็จะมีผลใน8เดือน<ะ>ส่วนฝันในยามที่3ก็คืออยู่ในช่วง2ยามถึงที่สก็จะเห็นผลใน3เดือนถ้าว่าฝันใกล้ลุ่มคือยามที่ตีสี่ประมาณนั้นนะคะกคใกล้จะสิ้นราตรีหรือเวลาเช้ามืดนะคะก็จะให้ผลใน10วันถ้าฝันในเวลาที่ปล่อยแม่โคออกไปหากินก็หมายถึง เช้าหอสายแล้นะคะก็คือคนที่แบบนอนตื่นสายหรือยังฝันอยู่นี่นะค ะ, ะความฝันนั้นก็จะให้ผลทันที<ะ>แต่ว่าความฝันของพระเจ้าเปรตทิศค่ะซึ่งปุโรหิตเนี่ยจริงๆแล้ว่ายไม่ได้นะคะแต่ว่าพระเจ้ามารรคกาเนี่ยได้กราบทูลกับเรียกว่ารพระพุทธสมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งพระองค์กลับบอกว่าความฝันของพระเจ้าเปรตทิศเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในสมัยนี้ครับ<ะ>แต่ว่าจะเกิดขึ้น หลังจากกึ่งพุทธการไปแล้วนะคะซึ่งหลายคนก็ จ, จะมีปุจฉาหรือมีความสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมความฝันที่เกี่ยวกับพุทธการนกึ่งพุทธการเนี่ยทำไมจึงไปเกิดกับพระเจ้าเปรย์ที่ อ, อันนี้ก็จะมีคําตอบวิสัชนาอยู่2ประการด้วยกันนะคือประการแรกพระเจ้าเปรย์ที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะคือนับจากพัทล ก, กักนี้ไปนะคะคือหลังก็คือหลังจากพุทธเจ้าของพระองค์นี้ แล้วก็ไปถึงประสิริ์ยะไม่ตายก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดอีก9้าพระองค์คและหนึ่งในเก้านั้นก็จะเป็นพระเจ้าประสิทิแห่งแคว้นโคโซซึ่งได้ถึง <นะ S 1> ช่วงนั้นก็บำเพ็ญ บ, บำเพ็ญบารมีรไปจนถึงแล้วดังนั้นเมื่อมีบุญญาธิการที่หนาว่าเป็นพระภูรัศพระองค์หนึ่งเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าด้วยทีนี้ถามว่าพุทธเจ้าคือต้องต้องตัดภาษาคนเราธรรมดานีว่าอยู่ดีๆท่านจะพระองค์จะมีพุทธธรรมนายโดยไม่มีการอราธนาก็ผิดวิสัยนะคะดังนั้นเนี่ย ความฝันก็จะต้องเกิดกับผู้ที่มีบุญสูงสุดนะคะเพื่อที่ว่าคำทํานายเนี่ยจะได้ปรากฏแก่คนทั้งหลายและคำทํานายนี้ก็ได้ไปอยู่ในตํานานพระพุทธเจ้าเรียบโลกด้วยนะคะคในผูกที่สิบเอ็ดนะคะซึ่งได้ตรัสกับพระอินทร์ว่าเมื่อกึง่งพุทธกาลไปแล้วเนี่ย ศา ส, สนาของพระ อ, องค์จงมหมองก็จะมีเหตุต่างๆในประมาณ16ประการที่เกิดขึ้นตามสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสนทธิ์ที่ดังนั้นเมื่อวานนี้เราก็หลังจากที่ถึงบทที่พระเจ้าวิกรรรมทิศทรงมีพระสุบินิมิตเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสเอาสุบินิมิต มาเล่าสู่กันฟางอีกครั้งนึงของพระเจาประสิิ์ที่คือย้อนกลับไปซึ่งแองคิดว่าลูกศิษย์ทั้งหลายที่ติดตามรายการเปนแฟนรายการมาตลอดแปดเก้าปีที่ผ่านมาคงจําความฝันได้หมดแล้วมั้งเพราะออกประกาศกัอบทุกปีเลยผมว่าไม่ครอาจารย์เพราะว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับเอ๊ะทําไมมันเกิดอย่างนี้ทําไมสังคมเราเป็นอย่างนี้ทําไมโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มานะครับแต่ก็มีหนทางแก้นะคะเพราะว่า พระเจ้าวิกรธรรมทิศก็มีทางถึงทางที่จะแก้ะะแต่ว่าก่อนที่จะแก้นี่อ่านั่นเป็นความฝันที่มีเคราะ์ต้องบอกว่าเพียงเล็กน้อยแต่เคราะหใหญ่ถึงขนาดที่ว่าความมัวหมองพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นเนี่ยจากเหตุ16ประการไอ้ทำให้เกิดเหตุ16ประการให้เราได้มองเห็นเนี่ยนะคะครเราจะต้องทําอย่างไรเมื่อวานนี้พูดถึงสุบินนิมิตที่แวันนี้ขึ้นสุบินนิมิตที่เก้านะคะทรงมีพระสุบินว่าสะใหญ่ แห่งหนึ่งมีบัวน า, นานาชนิดเกิดขึ้นอยู่เต็มนะคะมีท่าขึ้นลงอยู่รอบสระสัตว์ต่างๆก็พากันลงดื่มน้ำในสระกลางสระนั้นก็มีน้ำอุ่นที่ริมสะระกลับมีน้ำใสสะอาดทรงมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปผู้ใหญ่ในประเทศจะไม่ตั้งอยู่ในธรรมมัมกลีนนาทาเลนลาสดรในเมืองหลวงให้ได้เดือดร้อนนะลาสดรบางส่วนทนไม่ได้ ก็อพยพไปยังอยู่ชายแดนหมดะนะคะแล้วก็เมืองหลวงก็ว่างเปล่าไม่มีคนสนใจแดนนะแน่นด้วยผู้คนเหมือนกลางสระน้ําขุ่นริมสระน้ําใสนั้น<ะ>ก็เหมือนกับว่าสระน้ําตรงกลางขุ่นก็มันมีแต่เรื่อง<ะ>มีแต่ร้อนมีแต่ความทัุกข์นะคะแต่ว่าชายแดนเนี่ย มันป่ายไกลพื้นที่มันไม่ได้ยินอะไรมันสงบร่มเย็นนะเพราเราไปอยู่คนยอดเขาบนได้สลองเราไม่ได้ยินอะไรรู้สึกสนุก่มเย็นมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปอีกนะคะแต่ก่อนจะถึงพระสุวินนิมิตข้อนี้นะฮะข้อก่อนหน้านี้ข้อ8ที่บอกว่าได้เห็นกระออมใหญ่อันนี้ก็เป็นที่มาจนมาถึงข้อ9นะครับใช่ค่ะมันก็จะลิงลําดับมาเรื่อยๆนะคะว่า คนรวยก็ยินรวยอยู่แล้วจนก็จนไปแล้วคนจนก็จะคนจนมากขึ้นคนจนก็มาเป็นเครื่องมือของคนใหญ่คนโตนะคะครับสุบินที่มีที่ายเห็นข้าวหุงในหม้อใบหนึ่งมีสมอย่างคือมีทั้งดิบทั้งเปียกแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เป็นท้องเลนครับซึ่งมีพระพุทธธรรนายว่าต่อไปเมื่อคนไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้วฝนก็จะไม่ตกโดยทั่วถึงส่วนที่ไม่ตกเลยข้าวกล้าเหียวแห้ง ส่วนตกพอดีเข้ากล้า ง, งอกงาเหมือนเข้าสุกในหม้อเดียวกันมีเป็นสามอย่างนะบางส่วนก็ตกมากเกินไปจนเป็นท้องเลน<ะ>ตายหมดนาล่มก็เกิดความผิดธรรมชาตินะฮะที่สิบเอ็ดนะสุบินว่าเห็นคนเอาแก่นจันราคาแสนตำลึงไปแลกกับ น, นมโคที่เสียก็ส่งมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปภิกษุอรชีไม่มีอย่างอาย<อ>จะนำธรรมที่ตถาคตกล่าวตีเตียนความโลภ นะคะไปแสดงให้คนอื่นลาความโลภเนี่ยแล้วก็พากันบริาจาคสตุปปัจจัยให้แก่ตนเพื<ะ>่อไปแสดงธรรมในเรื่องของความโลภแต่ล้วก็ให้ละความโลภซะเพื่อที่จะทําบุญแต่เอามาให้กับตนนะคะไม่ได้เอาไปเอาไปเป็นของอใช้ ส, ส่วนตัวาานะเอามาใช้ส่วนตัวภิกษุอรชีเหล่านี้จะเที่ยวแสดงธรรมในที่ต่างๆเพื่อหวังลา บ, บเหมือนคนเอาอกแก่นจันทร์อันมีค่าไปแลกเปลี่ยนกับนม โ, โคเช่นนั้น ในสมัยนี้ก็คงต้องระวังแล้วก็ดูให้ดีนะคะต้องมีผลงานให้ปรากฏมีให้ปรากฏแสดงพระธรรมเทศนาอย่างถูกต้องตามพุทธได้ปฏิบัติตามพุทธวินัยหรือเปล่านะคะเรียกว่าธรรมาบททั้งหลายเนี่ยเราคารวะควรจะต้องศึกษาแล้วแล้วก็ลองปฏิบัติดูเมื่อเห็นผลได้ตนเองเราก็จะทราบว่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมจะต้องมีจริยามาอย่างไรนะคะ ใ น, นที่สิสองสุบินว่าได้เห็นน้ำเต้าที่เขาคว้านไส้ออกหรือแต่เปลือกเปล่าซึ่งควรจะลอยน้ำแต่กลับจมดิ่งลงในน้ำก็ทรงมีพระพุทธธรรนายว่าต่อไปถ้อยคําของคนชั่วไม่มีศีลไม่มีธรรมกลับมั่นคงนะคะกลับนํามาใช้แต่ถ้อยคําของคนดีมีศีลธรรมกับอับเฉาไม่มีคนเชื่อเชื่ อ, อเหมือนน้ําเต้าเปล่าแต่จมน้ํำฉะนั้นก็คือคนชั่วพูดได้มากกว่าพูดได้ก่อน พูดให้คนได้ยินมากอันนี้ก็ถือว่าได้เปรียบแต่ว่าคนดีนั้นอาจจะไม่มีโอกาสพูดหรือพูดแล้วสังคมคนดีๆฟังไม่เข้าใจนะฮะก็จะมีการต่อต้านทะเลาะเบาอแวงกันทะเลาะเบาแวงกันค่ะสุบินว่าได้เห็นหินก้อนใหญ่ประมาณเท่าเรือนลอยอยู่บนน้ําเหมือนสำเพอหรือเ ร, รือใหญ่ฉะนั้นทรงมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปคนดีมีธรรมจะไม่มีใครเคารพนับถือจะเคารพนับถือให้แก่คนชั่วไร้ศีลธรรมมีตะตัง คือนับถือวัตถุเห<ะ>มือนหินลไอ้น้ําครับนะเหมือนหินลอยน้คือมันกับตลบปัดอนะ่ะกับตลับปัดของที่มันนะฮะคื อ, คอไม่ได้มองกันอย่างนึกซึง้งแล้วน้ำเต้าจมแต่หินลอยเนะี่ยคนดีก็หมดกําลังใจนะฮ ะ, ค, ะความฝันข้อที่สิบสี่เห็นนางเขียดเลขตัวหนึ่งวิ่งไล่งูเหา่า นางเขียนนะคะวิ่งไล่งูนะแล้วก็กัดงูเห่าตื่นกินครับทรงมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปสามีจะอยู่ในอํานาจของภรรยาจะถูกภรรยาด่าว่าเหมือนคนใช้นะคะ<อ>เหมือนนางเขียดกินงูเหราฉะนั้นคือโลกจะกลับตะลบประคับผู้หญิงจะดุนะคะแล้วก็จะโห<ฮ>ดดุโหดนะคะโหดเลวดีนะคะแล้วก็ข่มสามีตะโกนใส่สามีด่าว่าสามีเห่าใส่สามีอืม เพื่อ okay, ปกป้องนะสิทธิทสตรีนะคะแม้น่ากลัวมากเลยนะคะครับจริงๆก็ไม่หมดนะฮะมันก็เป็นคนคนไปนะครับแต่เราเห็นบ่อยขึ้นนะคะคือคก็ก็คือหลังพุทธการมาแล้วจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับนความฝันที่15สุบินว่าได้เห็นหงทองแวดล้อมด้วยการในที่ต่างๆทรงมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปผู้มีตระกูล น, นะคะคือคนที่เป็นผู้ดีมีตระกูล ที่มีจริยธรรมอันดีงามเนี่ยจะต้องไปประจบสวามิภักผู้ไม่มีตระกลูลเหมือนหงทองที่แวดล้อมด้วยกาคือหมายถึงว่ามันอยู่ไม่ได้ไม่สามารถรักษาดํารงวงตระกูลที่ดีเอาไว้ได้นะครับและความฝันข้อที่ 16, สิสุบินว่าได้เห็นแพะไล่ติดตามเสือเหลืองแล้วกินเสือเหลืองเสียและะ้วะภายหลังเสืออื่นๆเห็นแพทแต่ไกลก็กลัววิ่งหนีหลบซ่อนไปในที่ต่างๆครับมันกลับตลบัต ทรงมีพุทธทัณนายว่าต่อไปสิทธิจะสู้ครูผู้น้อยจะขมเหงผู้ใหญ่คนดีจะถูกคนชั่วเบียดเบียนแล้วก็จะต้องหลบลีกซ่อนเล้นซะเพราะว่ามีแต่คนพันทั่วไปหมดเลยคนดีก็ไม่สสดงตัวก็เหมือนเสือนีแพ้เสือมีความสามารถแต่ว่าก็อย่างว่าแพ้เป็นพระนะคะมารก็จะออกมาชนะในตามที่ต่างๆคือก็ต้องบอกว่า ทรงมีพุทธธรรมนายว่าเมื่อศาสนาโมโหมสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นครับโดยลําดับนะคะก็จะทําให้เทวดานี่งค่อนข้างจะขัดเคืองโกรธแค้นก็จะปล่อยพิษลงในข้าวกล้านาต่างๆนะ้รคระบาดก็จะเกิดขึ้นคนก็ไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูกาลนะครับธรรมชาติก็ผิดเพี้ยน ค, ความร้อนความเย็นก็กระทบกันนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดธรรมชาติวิปริตนะฮะทุกคนก็ได้ประจักษ์กับตัวเองแล้ว ว่ากึ่งพุทธกาลที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับก็ได้เห็นค่ะนี่ผมรอเนียฮะว่าสมัยก่อนที่เขาลันสัวแตกเนี่ยอุนตกเตี้นไฟไหม้เนี่ยโอมันเกิดภัยพิบัตินะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะยุคนั้นเนี่ยนะครับขันทีครองเมืองนะฮ ะ, ะมันก็เรียกว่า คนที่สังคมมันกับตละลประบาดหมด ค, คนดีก็หลบไปอยู่นู่นนะครับไปอยู่ อ, อาจารย์สุมาเดชโชติอบอกว่าสุบินศาสตร์เนี่ยนะคะก็เป็นความลึกซึ้งอย่างหนึ่งแล้วก็มีจริงนะคะคถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์และการพยากรณ์นั้นคือมันก็ต้องเกี่ยวข้องแหะค่ะ ค, คือการประวัติศาสตร์เนี่ยตำนานก็ระบุทั้งปร า, าสญ์ทั้งตำนานเนนะคะก็ระบุไว้ว่าโหราจารย์สมัยโบราณต้องมีความรอบรู้ในศิละปะการพยากรณ์ทูกอย่างรวมทั้งสุบินศาสตร์ด้วย เช่นโหงประจำราชสํานักเมื่อถูกกริย์มีพระราชดำริถามถึงพระสุบินของพระองค์ไม่ว่าเรื่องใดๆคือผู้มีบุญนี่ยนะคะฝันนี่มีความหมายนะคะโหนจะต้องนํามาเปรียบเทียบดูกับดวงดาวที่สัมพันธ์กับพระลักษณหรือตนุรักษ์ในระยะนั้นเสมอเพื่อสอบสอบถามขออภัยค่ะสอบทานคําพยากรณ์รและถึงถวายคําพยากรณ์เพรืฉะนั้นในการพยากรณ์ทางชีวิตเรต้องเกี่ยวพันกับดวงชะตาของผู้ฝันด้วยนะคะครับ ผู้ที่มีลางสังหรณ์หรือฝันแม่นยำในดวงชะตานะคะหรือว่ามียานพิเศษโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้ให้ความรู้ทางโหาราศาสตร์จะต้องมีดาวพลูตโตซึ่งเป็นดาวเกวียนเนี่ยลางหรือลางสังหรณ์ในะกลุ่มลัคนาครับนะคนที่มีดาวกลุ่มลัคนาจะมีครับหรือว่ากุ่มตนุลักษณ ะ, ะรหรือว่าอยู่ในภพที่สิบขณะที่เกิดครับน ะ, ะอันนี้ข้อแรกหรือว่ามีดาวพลูตโตดาวมฤตยูดาวเนปจูนหรือดาวเกต นะคะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสนะคะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสเช่นเป็นโยกกันเป็นตรีโกรกันหรืออยู่ในภพที่9นะคะหรือว่าถึงลัคนาหรือถึงกนรุลักษณ์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ข้อที่2ข้อต่อมาคือมีดาววินาศของลัคนานี้ ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีความรู้โหราศาสตร์ ก, เก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้มาเรียนนะคะคแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ฟังนี่ก็มักจะมีความรู้พื้นฐานบ้างใครที่มีดาววินาศะเนี่ยนะคะหรือดาวจากพวกวินาศมากลุ่มลัคนาคก็มักจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆหรือได้สัมผัสอะไรแปลกๆนะคะหรือความฝันหรือมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะ น, นี่ก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปนะคะคทีนี้เรามาพูดถึงว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะชาวพุทธหลายก็ <ค>มี <ทำ S 2> อัน<ง>ต้องเดือดร้อนสิะนะคะมีอันต้องเดือดร้อนนะค ะ, ะทีนี้ก็โดยเหตุที่ว่าในตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกนะคะซึ่งพระพุทธองค์ได้มีพุทธธรรมนายถึงพุทธกาลแล้วก็ได้ฝากพุทธศาสนาไว้กับพระอินทร์อินทลาชาก็คือพระอินทเนี่ยนะคะคซึ่งอิน์ก็ได้รับรองไว้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยวัด วัตถุทานนี่ความหมายวัตถุทานนี้หมายถึงวิหารธรามเนี่ยนะคะหรือว่าวิหารต่างๆหรือว่าวัดวาอารามหรือว่าการปฏิบัติของพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็มีส่วนสําคัญในการที่สื่อพุทธศาสนาครับนะคะเรเหล่ากาลว่าก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในสมัยของพระเจ้าวิกรธรรทิศเนี่ยนะคะก็ทรงเรียกว่ามีการเราถ้าเราพูดตามภาษาจะพูดเราเหมือนสมโพธิพนากร <Yeah. S 1> นะคะคือทําบุญทุกมุมเมืองนะคะเรียกว่า มีแจกทานให้คือให้ทานเนี่ยเป็นเยอะมากเป็นส่วนใหญ่ทั้งวิห า, างหารทานสังฆทานแล้วก็ทานสามทานนี้แล้วก็ชักชวนให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยประกอบความดีอย่างนี้เนี่ยตลอดเวลานะคะคืออ ย, อย่างตัวพระราชาเองเนี่ยพระเจ้าพิกรธรรมที่ก็เปิดพระครังมหาสมบัติเป็นเวลา3วันใครอรยากหยิบอะไรก็หยิบได้นะคะพระองค์ก็มีการบริจาคทาน เป็นเวลาอยู่ช่วงหนึ่งทีเดียวค่7วัน7คืนนะคะคก็ทำให้เหตุการณ์เนี่ยร้ายกลายเป็นดีนะคะคแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงความฝันเล็กๆแต่นี่เป็น s u b l i m i t ตที่เรียกว่าเป็นความเสื่อมหรือมัวหมองนะคะครเราก็คงจะต้องทำกันใหญ่กว่านั้นนะ ค, คะคือผู้บริหารบ้านเมืองก็คงจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องชาติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องาศาสนานะคะคือให้เกิดความเป็นสิริความเป็นมงคลขึ้นในประเทศของเรา ะะซึ่งไ ม, ไม่ได้หมายถึงผู้บริหารบ้านเมืองอย่างเดียวก็จะต้องพบก<ม> <มา S 1> ับเทุกคนคนที่ <จะ S 1> เป็นหหน่วยงานหัวหน้าองค์กรนะครับคนที่เป็นผู้นํากลุ่มคนคทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยอาจารย์ครับทุกวันเนี่ยถามว่าสังคมชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรนับถือพุทธศาสนามากที่สุดประเทศไทยครับไม่ใช่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นพุทธภิญกกรตรงเนี้ยก็มันคงไม่ลงไปที่ไหน่ะคบ้านเราเนี่ยก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะครับนางเขียดไล่งับงูเห่า แหมอาจารย์ครับทุกวันนี้ไปดูข่าวมันออกกันทุกวันนะครับนะฮะมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆทําสถิติแล้วใครมีกิ๊กมากกว่ากัน <c oughs> โอ้ยฟังแล้วก็ตกใจเลย <c oughs> นะ ฮ, ะ, น ะ, ฮ ะ, นะตกใจนะคะแต่มันก็เป็นกลุ่มเล็กนะแต่บัเอิญเป็นข่าวนะครับมาถึงเรื่องตุ๊กตาตัวที่24นะคะซึ่งพระเจ้าโพชัดนนะคะก็ยังก้าวขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะ <c oughs> ใกล้ที่จะถึงตัวที่3 2มแล้วล่ะ เรื่องราวของตุ๊กตาตัวที่24ก็เป็นเรื่องราวในราชนาจาักรของพระเจ้าวิกรมาธมทิตินะคะก็มีนครหนึ่งชื่อปุรันทรบุรี mm hmm. ปุรันทรบุรีเนี่ยก็มีพ่อค้าวานิช ท, ที่มั่งคัง่งมีลูกชายสี่คนนะคะพอแกก็ตามอายุไขวัยชรารวมเจนะคะก็เรียกบุตรทั้งสี่้ามาคุยแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าพ่อจะตายแล้วนะ mm hmm. พวกเจ้าก็ต้องทะเลาะ บ, บอก แ, แย่งยสมบัติกันแน่ๆเลย พอความวิตกอันนี้พ่อก็จะแบ่งทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนจะ ต, ตายก็จะแบ่งมรดกให้ตามอาวุโสของลูกแต่ละคนใต้ตียงที่พ่อนอนเนี่ยมีสมบัติฝังอยู่4ส่วนก็เลือกเอาไปตั้งแต่คนโตสุดแล้วลองไปไปลี่เล่จนถึงคนสุดท้องทั้ง4ก็ละปากนะว่าจะแบ่งตามที่พ่อบอกหลังจากที่พ่อตายไปแล้วบุตรทั้ง4ี่ก็อยู่ด้วยกันเป็นปกตินั่นแหละ1เดือนนี่พวกภรรยาทั้งหลายคือบุตรนะ้อยเท่าไหร่ แต่ตัวภรรยาสะพ้ยเนี่ยทะเลาะกันบ่อยๆเรื่องทรัพย์สินนี่แหละนะคะผู้ผู้เป็นสามีของอของเขาทั้งหมดนี่ยนะคะพี่น้องกันเนี่ยบเออทําไมต้องนัทะเลาะเบาะแว้งลำคาญจังเลยเอาละสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่จําได้ว่าพ่อได้แบ่งสมบัติเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างก็เอาส่วนของตัวไปก็และกันไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันจะได้จบสิ้นกันไม่งั้นมีเมียก็ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละอชายทั้งสีก็ขุดพื้นใต้เตียงก็ได้ไหทองแดงมา บรรดาหายเหล่านี้เนี่ยนะคะหายหนึ่งบรรจุดินหายหนึ่งบรรจุฟางหายหนึ่งบรรจุกระดูกและอีกหายหนึ่งมันจุฐานบุตรทั้งสี่นี่แปลกใจมากเลยบอกเออพ่อบอกว่าจะแบ่งสมบัติให้เรา4ส่วนแต่ทั้งสหายนี่มันไม่มีอะไรใครเข้าใจ<ม>บ้างหรือใครแอบเอาไปหรือเปล่ามันไม่ใช่สมบัตินี่นาเข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตุลาการประจําเมืองครับตุลาการก็ตีความไม่ออก นะคะก็ทั้งพี่น้องทั้งสี่ก็พยายามสแสวงหาผู้รู้ผู้ชํานาญในการตีปริศนาทั่วแว่นแหวนก็มีมีใครให้ความกระจ่างในที่สุดทั้งหมดเนี้ยก็เดินทางออกจากปุรันธละบุรีนี่นะคะมาที่ราชธา น, นีคือนคร อ, อุชฉยนีนะคะก็เข้าไปหาคณะราชมนตรีในสํานักแล้วก็ปรึกษาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแผ่นดินไม่มีใครเข้าใจเลยคะ่ะก็คือบุตรทั้ง4ี่ของวา น, นิชเนี่ยก็ ออกเดินทางไปงนครปฏิสถานะอันอยู่ทางใต้แล้วก็ปรึกษาเอาเป็นว่าเดินทางไปทั่วทุกทิศเหนือใต้ออกตกไม่มีใครแก้ได้วันหนึง่งชายหนุ่มชื่อสาริวาหนะน่ะทํางานอยู่ในบ้านช่างปั้นหม้อได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมานะคะเขาก็ออกมาพบกับนักปราชญ์ที่ชมุมนุมแล้วก็ถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะก็ พอเขาเล่านักป่าทั้งหลายก็เล่าเรื่องมรดกปิศนาให้ฟังค่ะซาลิวาหะนะ oh ได้ฟังก็ยิม้มโอ้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยปัญหานี้ข้าได้ยินว่ามันเป็นเรื่องของพ่อค้าต่างเมืองที่แบ่งมรดกเวสให้ก่อนตายก็แบ่งให้ตามลำดับอาวุโสสูงสุดไปหาต่ำต่ำสุดเพราะฉะนันหายใบแรกที่บรรจุไว้เต็มเนี่ยดินเนี่ยก็เป็นของลูกคนโตคือดินความหมายก็คือยกที่ดินให้ให้ลูกคนหัวปี โอ้เขาฉลาดนะคะครับให้ใบที่สองบรรจุฟางนะก็ต้องให้ลูกคนที่สองหละหมายความว่ายกพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดให้ลูกชายคนนี้เลีงสวนไรานะทั้งหลายครับให้ใบที่สามบรรจุกระดูกก็หมายความว่ายกปัสุสัตทั้งหมดให้ลูกชายคนที่สามส่วนใบที่สี่มีแต่ฐานก็หมายว่ายกทองคำที่มีอยู่ทั้งหมดให้ลูกคนนี้อ๋อครับ เรตีปริศนาเออเราก็สว่างไปด้วยนะคะแมมมีมีดินเดี๋ยวผมไปซื้อเตรียมไว้เลยฮะจันทร์กได้ที่ดินนะคะของเราท่าทางจะมีที่ดินอย่างเดียวคงไม่มีที่ดินนะคะมีบรรจุฟางก็ไล่นาสาโธนะคะกระดูกก็ปะสุสัตว์ถานก็เป็นทองก็โอ้โหวันนี้อุ่ทั้งสี่สว่างว่าไปมาหมดทุกทิศก็ยกย่องสารีวาหนะาแล้วก็บอกว่าแหมขอบใจพ่อหนุ่มดูสิโล่งอกโล่งใจเดินทางกลับเมืองไปครับ ฝ่ายพระเจ้าวิกรมาธมทิศได้ฟังก็โอ้โหรู้สึกประหลาดพระไทยอันมากก็ส่งสารถึงพระเจ้าปฏิสถานะทางเมืองได้นั้นครับนะะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องกลับมาติดตามฟังกันต่อแต่ผมเดานะฮะสิ่งพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าวิกรมาริทิศจะทำเนี่ยคงไม่เกินกว่าที่ทุกคนกําลังคาดคิดอยู่แต่ผลจะออกมาอย่างไรดี๋ต้องกลับมาติดตามฟังนะครับ